แต่ว่าปัญหาต่อไปเนี่ยนะในฉัตทันตะโชติปาลารับพระปัญหาแปลว่าปัญหาช้างฉัตรทานท่านโชติปาระ น, นะนะเรียกว่าปัญหาที่ปรารบช้างมีหงาหสีกับโชติปาระมานก พ, พระเจ้ามิลินกราบเรียนถามพระนาคเกษว่าพระคุณเจ้านาคเกษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาษิทธ์ข้อความนี้เมื่อคราวเป็นพญาช้างฉัตทันตะฉัตทันตะนั่นมาจากฉะ บวกทันตะทันตาแปล ว, ว่างาถ้าเป็นคนก็เรียกว่าฟันนะนะหมายถึงงาฉะตัวนั้นหมายถึงหกสีเรียกว่าช้างหกสีเนี่ยนะมีงาหกสีว่าพอเราจับตัวนายพรานได้ก็คิดว่าจะฆ่าเสียนะได้เห็นผ้ากาสาวะอันเป็นธงของฤาษีทั้งหลายแล้วเราเป็นผู้ถูกทุกขเวทนากระทบแล้วก็เกิดความสำคัญว่า ผู้ที่มีทงชัยของพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่สมควรฆ่าที่แรกเนี่ยนะก็คือนายพรานเนี่ยเขาเอาหอกเนี่ยทิ่มลงไปใช่ไหมพญาช้างเนี่ยก็คุยดูว่าก็คุยดูแล้วก็จับขึ้นมาได้เพราะพญาช้างรู้ว่าไอ้ลูกดอกที่ยิงเรามาเนี่ยมันยิงมาจากข้างล่างแสดงว่าคนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างท่านก็คุยแล้วก็จับนายพรานเนี่ยขึ้นมาจับนายพรานขึ้นมาที่แรกก็จะฆ่าเลยนะแต่พออ้านี่มัน มันใช้ผ้าหรืีใช้ผ้าผ้าอรหันอยู่นี่เพราะว่าเขาไปแอบไปขโมยผ้าพระประเจกมาหม่มเนี่ยนะเพราะว่าเป็นเอ่อพวกอ ะ, อะไรนะช้างฝูงนั้นอ่ะช้างโขลงนั้นเนี่ยเคารพพระปเจกมากานะด้วยเมตตาของพระปเจกช้างเคารพมากท่านนายพรานจะฆ่าช้างก็เลยเออเอาผ้าพระเนี่ยมาหม่มเนี่ยนะทาพอห่มเสร็จแล้วก็ฆ่าพญาช้างจับได้เพราะจับได้ก็คิดจะฆ่าแหละแต่พอเห็นผ้าของพระอรหันก็เลย ไม่ค่าแหมเลื่อมใสเรื่อเกินในพระอาหารหันต์นี่นะยกมาจริงๆก็ยกมาแต่ว่ามันขัดกันนั่นแหละนั่นนะขัดกันยังไงขัดกันว่าดูสิโชติปาลมานวสมาโนกัสปังพระขวันตังพระขวันตังอรหันตสัมมาสัมพุทธังเป็นต้นนีว่าเราเป็นโชติปาลมานพได้ด่าว่าบริาพาทพระผู้มีพระภาคกัสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคําว่าสมณโลน ด้วยวาจาหยาบช้าทั้งหลายดังนี้อะไรกันเนี่ยเป็นมนุษย์นะและชาติใกล้ๆนี้ด้วยเพื่อนเขาชวนไปบอกว่าไปพบพระพุทธเจ้าไหมไม่โอ้ยไปหาทําไมสมณะโล้นโพธิยานท่านได้โดยยากเหมือนกันอา้าวชาติเป็นมนุษย์นะชาติเป็นเดรัจฉานทําท่ามีสํานึกใช่ไหมเพราะชาติเป็นมนุษย์ทําไมด่าได้ยังไงเนี่ยพระขุนเจ้านากเกษตถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัตว์เดรัจฉานได้บูชาย อย่างยิ่งซึ่งภาคกาสาวพัฒน์ธทงชัยของพาาระอรหันต์จริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าเราเป็นโชติปาละมานพได้ด่าว่าบริภา พ, พระผู้มีพระภาคกาสัสส ป, ปะอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคำว่าส ม, มณะหัวโลนด้วยวาจาหยาบช้าทั้งหลายดังนี้ก็ไม่ถูกต้องมันขัดกันนะมันไม่น่าถูกเพราะถ้าเคารพจริงมันก็ชาติเป็นมนุษย์น่าจะรู้ความกว่าใช่ไหม ถ้าหากว่าโชติปาละมานพด่าว่าบริภาษ พ, พระผู้มีพระภาคอรหัสปะอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคำว่าสมณะโลนด้วยวาจาช่วยหยาบานะวาจาหยาบช้าทั้งหลายจริงซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าพญาช้างฉับฉับฉัันตะบูชาผ้ากาสาวะดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องอนะ อีกชาติหนึ่งแม้แต่ผ้ายังบูชาใช่ไหมอีกชาติหนึ่งเป็นพระพู้แต่เจ้ายังด่าเลยยังไงนะเอ๊มขัดกันนะถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัตว์เดรัจฉานกําลังเสวยเวทนาความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเผ็ดร้อนทารุณก็ยังบูชาผ้ากาสาวะที่นายพรานนุ่งห่มอยู่ได้ไซเพราะเหตุไรพระโพธิสัตว์ผู้เป็นมนุษย์มีญาณแก่กล้าเพื่อการตรัสรู้ที่แก่กล้า เกือบจะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแล้วได้พบพระพุทธเจ้าแล้วด้วยเห็นพระผู้มีพระภาคกัสสปะอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีทศพลยานผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกผู้สูงทรงมีพระรศมีรุ่งเรืองแผ่ไปประมาณหนึ่งวาผู้ยอดเยี่ยมสูงสุดนุ่งห่มผ้ากาสาวะที่ทอจากแคว้นกาสีงดงามยอดเยี่ยมแล้วก็ยังไม่บูชาแล้วเออเห็นพระพุทธเจ้าองค์แท้ทําไมไม่บูชา ปัญหาเม้ข้นนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแลว้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดพนาเกษมก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาศิทธิ์ความข้อนี้ไว้เมื่อคราวที่ทรงเป็นพญาช้างฉัตรันตะว่าเราเนี่ยนะพอจับตัวนายพรานได้ก็คิดว่าจะฆ่าเสียได้เห็นผ้ากาสาวะผ้าย้อมน้ำฝาดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ทั้งหลายแลว้ว เราผู้ถูกทุกขเวทนากระทบแล้วก็เกิดความสําคัญว่าผู้ที่มีทงชัยของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่สมควรฆ่าอันเนี้ย พ, พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ในชาดกจริงและอีกอย่างหนึ่งบอกโชติปาลมานพได้ดาวว่าบริพาทบริพาทแปลว่าเหยียดหยามเนยะบริพาทแปลว่าเหยียดหยามดูหมิน่นดูแคลนว่าพระผู้มีพระภาคกัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคําว่าสมณะหัวโลน ด้วยวาจาชั่วหยาบทั้งหลายเนี่ยโชติปารามนพได้ว่าอย่างนี้จริงก็แต่ว่าข้อที่โชติปามามนพด่าว่าบริาพาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะนั้นน่ะเป็นที่ด่าแบบนั้นน่ะเป็นเพราะอำนาจแห่งชาติสกุลก็คือวันสมัยนั้นเขาเขารู้เรื่องวันนะเรื่องใหญ่โตมากยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะอินเดียนี่ระบบวันนะเนี่ยโหอย่า่ยามกันเลยญ่แ ย, ายามกันเลยนะ เราว่าดูถูกกลุ่มจันทานเนี่ยดูถูกชนิดที่เรียกว่าเดรชานกขยังไม่หมินเท่ากับจันทานเหมือนกันเถอะเขาเขาดูหมินเขาดูแคลนกันขนาดนั้นขอสวายพระพรโชติปาลมานพเนี่ยเป็นผู้ที่กลับมาเกิดในสกุลที่ไม่มีศรัทธาเป็นสกุลที่ไม่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย มารดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายพวกทาตหญิงทาตชายคนรับใช้ที่เป็นบริวารของโชติบาละมานพเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้เทิดทูนพรหมล้วนแต่เคารพพรมคนเหล่านี้สําคัญว่าพราหมณ์หรือพรมเท่านั้นเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ยอดเยี่ยมเพราะนับถือแต่วันณะเดียวเท่านั้นวันณั้อื่นเลวหมดอย่างพระพุทธเจ้ากัสปะเนี่ยนะบอกว่าถือว่ า, าไปไป นุ่งห่มบวชเป็นสมณะด้วยแล้วเนี่ยเคารพไม่ได้เลยคบไม่ได้เลยนะนะเย็ดย้ำดูหมิน่นดูแคลนมากเลยแหละเพราะฉะนั้นพวกพ่อแม่พี่น้องมิตรอ ม, มาตย่าติบริวารเป็นต้นก็าพากันตําหนิรังเกียจนักบวชที่เหลือโชติปาระมานพเนี่ยนะเกิดมาก็ฟังแต่คําของคนพวกนั้นพอช่างปั้นหม้อเป็นเพื่อนเก่าชื่อว่าคติการะเนี่ย ร้องเรียกชวนไปเฝ้าพระศาสดาก็กล่าวอย่างนี้ว่าประโยชน์อะไรด้วยการพบเห็นสัมมณะหัวโล้นผู้นั้นเล่าเนี่ยนะมีประโยชน์อะไรทำไมจะต้องไปเห็นไอ้อย่างหนึ่งเขาบอกว่าคำว่าโชติปาระเนี่ยนะโชติมันประกาศถึงความสว่างสวัย คือโชติปาระมานพในชาตินั้นเขาเป็นคนดังมากเป็นคนยิ่งใหญ่มากเป็นคนมีความรู้ความสามารถสูงชาติตระกูลก็สูงก็เหมือนกับมีแต่ความรุ่งเรืองอย่างเดียวทั้งวันนะทั้งทรัพทั้งอะไรราลๆอย่างแล้วเขาเกิดมาได้รับแต่คำชื่นชมมาตลอดแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดยามคนรัดวันนะอื่นหมดเลยโดยเฉพาะพวกสมณะเนี่ยเรียกว่าพวกไรวันณนะเนี่ยนะ พวกไร้วันละเนี่ยพวกไม่มีวันละอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาดูกรังเกียดดูหมินเหยียดย้มดูแกลนเต็มที่เพราะฉะนั้นพอไปเกิดในตระกูลนั้นก็เป็นกับเขาเหมือนกันนั่นนะเหมือนอะไรขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่ายาอมตะยาอมฤตยาที่กินแล้วหายแต่ยาอันนี้พอไปแต่ยาพิษเข้าก็กลายเป็นยาขมฉันใดเรียกว่ายาอมตะพอไปบวกกับยาขมเอ้ยยาพิษเป็นยาอะไรเข้ามานะ เหมือนกันหรือเหมือนน้ำเย็นเนี่ยนะน้ำเย็นเอาไปต้มเอาไปลนไฟเข้าเอาไปใส่หม้อตั้งไฟเนี่ยนะกลายเป็นน้ำร้อนไปฉันใดขอถวายพระพรโชติปารามนบเนี่ยเป็นผู้กลับมาเกิดในสกุลที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเรียกว่านับถือเออเรียกว่าไปเกิดในสกุลคนละศาสนาบางท่นเนเขาเป็นคนมืดบอดไปด้วยอำนาจแห่งชาติสกุล ได้ด่าว่าบริภาษ์ทาตถาคตฉะนั้นเหมือนกัน น, นนะก็เพาเพราะความมัวเมาในชาติตะกูลฐานะศิลปะหลายๆอย่างแล้วก็ได้รับการยอมรับมาตลอดท่า น, นก็มองคนอื่นด้วยสายตาที่เหยียดหยามหมดดูหมิน่นดูแคลนว่าคนอื่นไปหมดอ่ะนะโดยที่สุดไม่เลือกแม้แต่พระพุทธเจ้าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่ากองไฟใหญ่ลุกโลงก็มีแสงสว่างดี แต่พอโดนน้ำเข้าแสงสว่างรุ่งเรืองก็ถูกขจัดไปกลายเป็นไม้เย็นท่อนนำๆไปเหมือนผลไม้แกง่งอมหลุดจากขั้วเน่าไปฉะนั้นฉันใดขอถวายพระพรโชติปาละมานพู้มีบุญสั่งสมบูรณ์มาหนึ่งมาสี่อสงไขยแสนกลับแล้วละ่ะมีศรัทธามีแสงสว่างอันไพบุญคือยานแต่กลับมาเกิดในสกุลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใส เขาบอกว่าโทษของการโทษของยังเกิดอยู่เนี่ยนะโทษของการเกิดเนี่ยมันมีปัญหามากเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะโดยทั่วๆไปถ้าไม่มีบุญจริงๆเนี่ยกำหนดคันมารดาไม่ได้ไม่เหมือนพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายจะเลือกแม่ได้อะแต่นี้มันถ้าธรรมดาทั่วทวไปมันเลือกไม่ได้ไม่รู้จะไปตกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการแม้กระทั่งอย่างที่พระอริยะ <c oughs> สมัยพุทธกาลมีอยู่ท่านหนึ่งท่านไปเกิดในตระกูลนายพรานอะ ทั้งทังที่อดีตชาติท่านเนี่ยคือผู้สร้างเจดีเป็นพุทธบูชาด้วยสร้างเจดีเป็นเจ้าภาพใหญ่ด้วยนะมอบตระกูลมอบตัวเองทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นท่าเจดีหมดเลยอะ่ะทำบุญยิ่งใหญ่มากเลยนะพระย า, ยาก็มาเกิดเป็นบทเศรษฐีก็เป็นพระโสดาบันแต่อายุเล็กน้อยตัวเองนี่มาเกิดเป็นเป็นลูกของสกุลช่างพราน น, นะเป็นสกุลนายพรานเนี่ยนะฆ่าสัตว์มากมาย นด้พรานกุกตตมิตรเนี่ยนะนายพรานกุกตตมิตรเขาบอกว่าโทษของผู้ที่ยังไม่เห็นสัจจะเนี่ยนะยากที่จะกําหนดชาติตระกูลเป็นต้นได้เหมือนอะไรเหมือนท่อนไม้เนี่ยนะถ้าเราโยนท่อนไม้ยาววานหนึ่งเนี่ยขึ้นไปในอากาศสูงๆกําหนดฝั่งตกได้ไหมว่าทา้งไหนจะตกลงมาก่อนกติของผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจก็ฉันนั้นตระกูลสูงแต่คนละทิศยังไงเข้าอันนี้ก็ลําบากละท่าน พระโพธิสัตว์ถึงจะสร้างบุญกุศลมาขนาดนั้นเนี่ยนะกลับเกิดพอเกิดในสกุลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสก็เหมือนกับคนมืดคนบอดไปด้วยอำนาจแห่งชาติสกุลได้ด่าว่าบริภาธพระตถาคตฉันนั้นเหมือนกันแต่พอได้เข้าไปเฝ้ารู้จักพระพุทธคุณแล้วก็จะกลายเป็นคนรับใช้ไปพอไปรู้พุทธคุณใกล้ชิดพระพุทธเจ้าฟังพระธรรม และพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์โชติปาลมานพว่าท่านนะอีกหนึ่งพุทธันดรจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคตมะเนี่ยนะซึ่งพยากรณ์เสร็จเนี่ยนะพอพยากรณ์บอกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพอจบแล้วลาคลาบวดเลยเพื่อนบวชกันไหมชวนเพื่อนบวชเลยนะบวชไม่ได้หรอกเรามีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูเขาก็เลยสละทรัพย์ทั้งหมดบวชเลย ได้บวชในศาสนาของพระชินวอนทำอภิญยาและสมาบัติทั้งหลายให้เกิดแล้วก็ไปพรหมโลกแต่ท่านอยู่พรหมโลกไม่นานก็ทําอธิมุตตะกิริย า, า, อานะตอนหลังก็มาเกิดเป็นเท้าสักกะอีกเนี่ยนะก็มาตอนปลายปลายศ า, า, าสนาพระพุทธเจ้ากัสสะเสื่อมนะในการหะชาดกเนะี่ยท่านก็เป็นเท้าสักกะอีกเนะี่ยสรุปว่าพระเจ้าอมิลินก็ยอมรับว่า ด, ดีจริงพระคุณเจ้าหน้าเกษตรพระเจ้าขอยอมรับ ตามที่ท่านกล่าวมานี้คือยอมรับตรงประเด็นที่ว่าผู้ที่เกิดในในสกุลเนี่ยนะเราเกิดมาเราจะปฏิเสธแนวความคิดเดียวกับคนในตระกูลเราไม่ได้นิสัยเนี่ยมันถูกแบบอะไรนะจริงๆอะ่ะสมัยใหม่เขาเชื่อว่าพ่อแม่คุยกันเด็กอยู่ในท้องก็รับทราบแล้วละเพราะงั้นน่ะนะเขาเชื่อกันขนาดนั้นเลยใช่ไหมว่าเด็กอยู่ในท้องเนี่ยรับทราบแล้วว่าแม่เนี่ยคิดอะไรเขาก็าว่าเด็กบางคนเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นโรค ผวามากเลยนะเป็นคนที่ผวาอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่สังกเนี่ยนะเหตุผลอันหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเด็กคนเนี้ยตอนที่อยู่ในครันเนี่ยแม่คิดจะฆ่าตลอดเวลาคิดจะทำแทงคิดจะฆ่าคิดจะทำแทงแต่ว่าด้วยบุญมันรักษาเอาไว้มันก็เลยไม่ไม่ไม่ก็คลอดปกตินะแต่ว่ากลายเป็นเด็กที่ขี้ผวามากเลยสะดุ้งง่ายมากตกใจง่ายมากนะแต่ว่านี่ก็เหมือนกันเขาก็ในสมัยใหม่ก็เชื่ออย่างนั้น นี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์เกิดมาทั้งแตอยู่ในครันรับถือมิตรรัตทิพรามนัถือวันณะแบบนั้นตั้งแตอยู่ในครันคลอดจากครันเติบโตมาได้รับการเลี้ยงดูได้รับการยอมรับอย่างนี้หลายสิปีด้วยกันเนี่ยจะไม่ซ่องเสพอัธยาศัยไม่คิดแบบนั้นหรือเพราะฉะนั้นพอได้ยินคําว่าไปไปพบไปพบพระกัสสปะผู้มีพระภาคเจ้าเถอะพูดแค่นั้นปั๊บหมิ่นพระพุทธเจ้าทันทีเลย บางคนเนี่ยมันแบบนิสัยแบบชอบบางทีนะพอพอเกิดในตระกูลสูงมากอะไรมากมันก็หมิ่นคนอื่นง่ายมันก็พลุ่งออกไปแต่คําพูดสองประโยคที่ที่ท่านพูดนั้นจ่ายแพงมากแล้วจ่ายแพงแพงแค่ไหนบอกว่าแพงถึงขนาดว่าไปหาทําไมสมณะโลนพระพุทธเจ้าถูกด่าบ่อยมากเลยสมณะโลนเนี่ยนะ ไ, ไปที่เมือง อ๋อนะเมืองพระเจ้าอุเทนนะเมืองโกสัมพีนั่นก็ถูกพระนางมาคันดียะใช้ประชาชนให้จ้างด่าเลยนี่นะจ้างประชาชนด่าเลยแล้วก็ตอนที่อยู่เมืองสาวัตถีกรณีนางสุนทรีเนี่ยพระองค์ก็ถูกดา่าอีกอยู่สาวัตถีก็ถูกด่า น, น่าจะหลายครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหตุผลก็เนี่ยคำว่าสมภณะโลเนี่ยไปว่าด้วยดูหมิน่นเหยียดยามก็เลยคนพระพอเป็นพระพุทธเจ้า chosen, แล้ว ย, ยังถูกคนอื่นเหยียดยามเนี่ยนะนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็บอกว่า ไปหาทําไมสมณะโลนโพธิยานท่านได้โดยยากไอ้คํานี้ทําไมพระ อ, องค์ต้องไปแบบผลทางสแสวงหาทางคิดวิธีการปฏิบัติในรูปประกายเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะหกปีเต็มด้วยกันอันนั้นก็เหตุผลหนึ่งที่ที่อะไรไปไปว่าบอกว่าโพธิยานท่านได้โดยยากพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วท่านจะยากอะไรแต่คนที่พูดนี่สิมันยาก แล้วก็เพรา ะ, ะนั้นถ้าพระ อ, องค์ก็เลยยากเนี่ยนะยากตั้งห้าหปีเนี่ยนะห้าหกปีถ้าแบบคนธรรมดาทั่วไปคงตายฟรีเหมือนกันแต่แต่นี้ดีว่าผู้มีบุญก็เลยค่อยยังชั่วหน่อยถึงขนาดนั้นเนี่ยนะปัญหาที่ท่านไปทําทุกรกิริยาไปทําอะไรที่มันยากยากที่ที่เรียกว่าถ้าคนธรรมดาทำเท่านั้นก็ตายอะ่ะอันนั้นก็ทําให้พระ อ, องค์นี่ปวดหลังแม้กระทั่งตอนเป็นพระพุทธเจ้าก็ปวดหลังบ่อยๆเพรา ะ, ะนั้นถามว่าโลกนี้กรรมที่น่ากลัวมากก็คือวาจาอำนาที่พุ่งออกมาแต่เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยนะ วาจาเนี่ยระวังมากเลยส่วนทวารใจก็ถ้าโทษภายในที่น่ากลัวก็คือใจถ้าโทษที่ล่วงเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่น่ากลัวก็คือวาจาเนี่ยนะพันส่วนที่มันหยาบที่รู้รกันอยู่แล้วเนี่ยนะก็คือทางกายพันกายวาจาถ้าเป็นทุจริตก็นํามาซึ่งวิบากที่เผ็ดร้อนนํามาซึ่งความทุกข์แต่ถ้าเป็นสุดจริตล่ะถ้าเป็นสุดจริตแต่ว่าพระพธิธศาสนาเนี่ยนะท่านรู้ว่าเป็นบาปท่านก็ละบาป สมมติว่าอย่างคนที่รู้ว่าเห็นเศษแก้วเศษกระเบื้องเศษกระจก น, นะแล้วเดินเหยียบมีบาดแผลเลือดไหลเนี่ยเขาจะยอมไปเหยียบซ้ําหรือเขาจะขอจมแช่อยู่ตรงนั้นไหมบอกไม่เพราะเหยียบเป็นแผลปั๊บเนี่ยเขารีบปิดแผลรีบรักษาแล้วก็ระวังไม่ให้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเห็นโทษโดยความเป็นโทษท่านเห็นอกุศลโดยความเป็นอกุศลท่านละท่านเวน น, นะท่านจะท่านเลิก แล้วท่านก็ไม่ทำอีกต่อไปหันมาเจริญบุญกุศลเนี่ยนะในที่สุดพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างที่เราศึกษาเนี่ยนะเป็นผู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราได้ศึกษากัน น, นะนมีก็มีใครจะถามเรื่องอื่นบ้างไมวันนะพรามแต่ว่าพอเป็นสมณะถือว่าไร้วันนะถามโกนผมออกบวชอย่างนี้ถือว่าหมดวันนะ